นะหลังจากตรัสรู้แล้วก็สวัสิมุติสุขอยู่เจสัปดาใช่ไหมหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปประกาศพระธรรมจักรหรือแสดงพระธรรมจักรพระองค์นั้นแสดงธรรมคือแสดงอริยสัจธรรมเพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์โดยลําดับเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อการตรัสรู้แห่งเทวดาและมนุษย์นั่นเองสรุปว่าคาถานี้เป็นคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นสยามภู ตรัสรู้เองโดยไม่มีอาจารย์เพราะพระองค์ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองตรัสเอาไว้ก็คาถานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วเพื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในเมืองอารวีในการละที่พระองค์ทรงบัญญัติภูตคาธรรมสิกขาบทคือสิกขาบทที่พระองค์เนี่ยห้ามไม่ให้พระภิกษุพลาดของเขียวในเมืองอาลวี อันนี้เป็นการวิสัชนาแบบสังเขป พ, พูดแบบย่อๆว่าใครกล่าวบอกพระพุทธเจ้าผู้มีพระบารมีเต็มเปี่ยมแล้วกล่าวกล่าวที่ไหนกล่าวที่เมืองอาลวีกล่าวเมื่อใดเมื่อพระภิกษุทั้งหลายตัดต้นไม้กล่าวเมื่อใดก็กล่าวเมื่อพระองค์บั ญ, ญญัติภูตคามสิกาบทถามว่ากล่าวเพราะเหตุใดก็เพราะว่าภิกษุ ต, ตัดต้นไม้นะตัดต้นไม้เป็นสาเหตุให้พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมสูตรนี้ขึ้น ส่วนอันนี้ต่อแบบยอ่อนเะนะนะ น, นี่ยภายในไม่สิบรรทัดเนี่ยจบเรียบร้อยหมดเสียสงไขแสนกับเรื่องราวเบ็ดเสร็จหมดเลยนะสวายมากเลยใช่ไหมอา้าวธรรมะนี้ย่อได้นะไม่ใช่ขยายเป็นอย่างเดียวย่อเป็นเนอะนะย่อดโดยการแสดงไม่ใช่ย่อดโดยเนื้อหานะย่อแต่เฉพาะการแสดงเท่านั้นแหละการพูดเนี่ยพูดให้ย่อก็ได้ให้ขยายก็ได้เพราะพูดเอาอะนะไม่ยากแต่ว่าเนื้อหาก็คงเดิม ส่วนการวิสัชนาติตอบแบบพิสดารผู้ศึกษาพึงทราบด้วยสามาแห่งทุเรนิทานอาวิทุเรนิทานและสันติเกนิทานสมัยก่อนท่านให้ความสําคัญกับนิทานนิทานก็คือเหตุ3ประการอ น, น, นัทุเรนิทานก็คือเหตุเหตุไกลนะนิทานนี้แปลว่าเหตุนะแปลว่าเหตุไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ใช่เรื่องแบบนิทานอีศพไม่ใช่ลักษณะนั้นนิทานนั้นหมายถึงเหตุที่เคยมีมาแล้วในอดีต กถาที่กล่าวถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงพระนามวัตถีปังกรจนถึงปัจจุบันนี้ชื่อว่าทุเรนิทานนะเรื่องราวที่ยาวไกลมาตั้งแต่สีอสงไขยแสนกับนีนะ่แหละรายละเอียดเต็มพิสดารก็ดูจากพุทธวงศ์ส่วนที่ชื่อว่าอวิทุเรนิธานก็คือกถาคําพูดที่กล่าวถึงเรื่องของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่ดุสิตพบจนถึง ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าพูดไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยนะไม่นานนะเมื่อพระองค์ดรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจวบจนจะสิ้นพระชนมายุจากดุสิตก็มีเทวดาไปอาราธนาเป็นต้นถ้านับตั้งแต่เทวดามาอาราธนาไล่มาจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยนะไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ไหมสามพันก้าปีเองสองสามพันปีเองนะไม่นานถ้าสันติเกล่ะสันติเกล กระถาที่ปรารพเรื่องของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่โพธิมณฑลจนถึงปัจจุวันใกล้ที่สุดก็คือแสดงตั้งแต่ตรัสรู้ไปจนถึงเหตุการณ์นั้นๆนะ น, นับตั้งแต่การตรัสรู้เช่นจากตรัสรู้ไปส0บพันษา2ี่พันษาอะไรนี่ก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่ในนิทานทั้งสามนั้นอวิทูเรนิทานกับสันติเกนิทานก็กรวม กลุ่มอยู่ในทุเรนิทานนั่นแหละเพราะทุเรนิทานมันกว้างขวางที่สุดแล้ ว, วนไะก็เหมือนกับมีหม้อสามใบหม้อใบใหญ่หม้อใบกลางแล้วก็หม้อใบเล็กถ้าแบ่งออกมาก็มีสนะุดสามใบใช่ไหมแต่ถ้าเอาไปวางไว้ก็อยู่ข้างในนั้นหมดนะนะฉะนั้นผู้ศึกษาพึงทราบวิสัชนาที่นี้โดยพิสดารด้วยสา ม, มาแห่งทุเรนิทานส่วนการวิสัชนาแบบพิสดารพระพุทธโคสอาจารย์ท่านกล่าวไว้แล้วในอัตตกะถา ชาดกถ้าอยากอ่านก็ไปอ่านเอาเล่ม55เล่ม55อปันนกะชาดกเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นที่นี้จึงไม่ต้องกล่าวให้พิสดารอีกนะ55ก็อ่านไปอีกสิบเล่มนะถึงใะ่ไ้เล่ม46นะันอีกถ้าใครต้องการเนื้อหาพิสดารตั้งแต่เริ่มแรกใช่ไตั้งแต่พระองค์เนี่ยเป็นสุเมธบัณฑิตไล่มาเรื่อยก็ดูในอัตถิา ชาดกบ้างอัตกถาอัทสาลีนีอัทสาลีนีบ้างอัตรกรถาอัปทานเนี่ยนะดูอัตกถาอัปทานก็ได้แล้วก็ถ้าเต็มเต็มที่เลยก็พุทธวงเนี่ยนะมีอยู่4คัมภีร์ใหญ่ที่กล่าวถึงเนื้อหาเยอะเนี่ยนะกว้างขวางแต่ว่าต่างกันอย่างนี้ว่าในอัตกรถาชาดกเนี่ยเรื่องเกิดที่เมืองสาวถีอัปนิกะชาดกนี่เป็นชาดกเครื่องแรกในชาดก 5้าเรื่องจริงขาดไป3เรื่องนะแต่ว่าพูดเต็มไว้ก่อนคือ550เรื่อง5้าอ้าบเรื่องอัปันกะชาดกพระองค์แสดงที่เมืองสาวัตถีปารบใครปรารบเพื่อนของอนาถติทิกะเศรษฐีส่วนพระสูตรนี้เนี่ยนะอุรคาสูตรนี้เกิดที่เมืองอาลวีเมืองอาวีก็ที่เมืองที่อะไรนะเมืองอาวะกยักษนะ์นั่นแหละเมืองนันแหละ ดังที่พระธรรมสังคหากาจางกล่าวไว้ว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อัคคารวะเจดีเมืองอาลวีก็สมัยนั้นแลภิกษุชาวเมืองอาลวีพากันทํานวกรรมคือการก่อสร้างอยู่ทีนี้การก่อสร้างก็ต้องใช้อะไรบ้างใช้ไม้ใช้อะไรเป็นต้นท่านก็เลยตัดต้นไม้เองบ้างใช้ให้คนอื่นตัดบ้างแม้พิสูตชาวเมืองอรารวีรูปหนึ่งก็ตัดต้นไม้ เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้นั้นก็ได้กล่าวคํานี้กับพิสูจนนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านต้องการทําที่อยู่ของตนแต่ก็อย่าได้ทําลายตัดต้นไม้ที่อยู่ของข้าพเจ้าเทวดานี่มาขอร้องอาญาเลยอย่าตัดเลยเนี่ยนะพิกษุนั้นไม่สนใจก็ยังตัดอยู่นั่นเองก็ได้สับเอาแขนลูกของเทวดานั้นเข่าเกี่ยวกับเรื่องตัดต้นไม้เนี่ยนะตัดต้นไม้เนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยนะตัดต้นไม้แล้วมีปัญหากับเจ้าที่เจ้าทางเนี่ย ถือว่ามีทุกยุคทุกสมัยแล้วก็มีกับหลายๆประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศอินเดียหรือประเทศไทยเท่านั้นนะประเทศอื่นก็เป็นเพราะการตัดต้นไม้นี่ทางธรรมะถือว่าทางทางพระธรรมวินัยถือว่าต้นไม้นี่มีเทวดาอาศัยอยู่เพราะไปตัดต้นไม้บางทีเนี่ยคนที่ตัดเลยป่วยเลยก็มีเขามีเรื่องเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องตัดต้นไม้และเกี่ยวข้องกับเทวดาเนี่ยหลายคนด้วยกันนะเขาเขาก็พูดถึงลักษณะนี้เพราะไม่ได้มีแต่ในพระไตรปิฎกเท่านั้น แม้แต่ยุคนี้สมัยนี้ก็ยังมีว่าไปตัดต้นไม้แล้วพอตัดเสร็จก็ป่วยเลยอย่างเงี้ยนะตัดเสร็จป่วยเลยตัดเสร็จแล้วไม่นานก็ตายเลยเป็นต้นก็มีนี่ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าไปตัดถูกลูกเขาหรือเปล่าแล้วเขาโกรธเอาสินี่ก็เหมือนการเทวดานั้นก็คิดอย่างนี้ว่าชะนายเนอเราพึงฆ่าภิกษุนี้เสียในวันนี้ทีเดียวฆ่าสมัครเนี่ยนะว่าตัดแขนลูกเราดูสิ ดังนั้นเทวดานั้นก็ได้มีความคิดอีกว่าก็การที่เราพึงฆ่าพระภิกษุรูปนี้เสียในที่นี้นั่นเองไม่ควรเลยฉะนั้นเนาะเราพึงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเทวดาคนหน้าเศร้าถูกตัดแขนขาดเนี่ยนะเทวดาพิการเลยกันนี้ต่อได้หรือเปล่าไม่ทราบนะหมอเทวดานี่ต่อได้หรือเปล่านะั่นเนาะหมอเทวดาต่อแขนให้ลูกเทวดาได้หรือเปล่าไม่ทราบแต่นี้พูดถึงว่าเทวดาทั้งหลายก็ยังมีทุกข์อยู่ พันมีลูกลูกถูกตัดแขนเทวดาก็โกรธโกรแล้วก็เสียใจก็อยากจะฆ่าคนที่ตัดตัดแขนเนี่ยนะก็มีเรื่องอย่างนี้นะแม้กระทั่งมนุษย์เราก็เหมือนกันได้ข่าวว่าลูกถูกประทุสร้ายพ่อแม่ก็เสียใจอยากไปฆ่าไอ้คน ท, ที่ที่ทำร้ายนั่นแหละครั้งนั้นเทวดานั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วก็ได้กราบทูลเรื่องนี้ให้พระองค์ทราบ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าสาธุสาธุาธเทพพยดาเธอนี้ดีนักแหลเทพพยาดาที่เธอไม่ปรงชีวิตภิสูนั้นเสียดีแล้วที่ไม่ไปฆ่าพระพิกสูรูปนั้นดูก่อนเทพพยาดาถ้าหากว่าเธอจะพึงปรงชีวิตพระพิสูจนี้แล้วไซเธอจะประสบบาปมากจงไปเถิดเทพพยาดาต้นไม้ในโอกาสโน้นว่างอยู่เธอจงเข้าสิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้น มันก็การฆ่าพระพิสุผู้มีศีลเนี่ยสมัยนั้นพระองค์ยังไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการตัดต้นไม้พระพิสุรูปนั้นท่านก็ยังมีศีลเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเทพพญดาไปฆ่าพระพิสุนั้นจะประสบบาปเป็นอันมากเนี่ยนะเพราะทําปานาติบาใช่ไหมปานาติบาเจตนาที่ทําปานาติบาตรงๆก็เป็นเหตุให้ตกนรกเกิดมาชาติใดาปางใดก็กลายเป็นคนอายุสั้นเนี่ยนะเป็นเหตุให้อายุสั้นเพราะฉะนั้นดีแล้วที่ไม่ได้ จริงๆถ้าประหารพระพิสษรรูปนั้นก็คือประหารชีวิตตัวเองในอนาคตนั่นแหละเท่ากับการฆ่าก็เท่ากับสาบแช่งให้ตัวเองตกนรกเกิดมาชาติใดปางใดก็ค่าให้ถูกฆ่าบ่อยๆถูกฆ่าเนืองๆนั่นแหละก็เท่ากับสมาทานให้ตัวเองนั้นอายุสั้นอเอาไว้นั่นเองอันดีแล้วที่ไม่ทำอย่างนั้นไม่งั้นก็จะประสบแต่ความเดือดร้อนประสบแต่ความทุกข์อันยาวนาน ก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัดอย่างนี้แล้วเพื่อจะกําจัดความโกรธที่บังเกิดขึ้นแก่เทวดานั้นคือมันก็เสียใจเหมนะตัดแขนลูกเราตัดวิมานตัดที่อยู่ของเราด้วยเนี่ยนะก็เหมือนก็อยู่ๆแล้วใครมาตัดแขนลูกแล้วก็ตัดบ้านเราด้วยทําลายบ้านเราด้วยถามว่าจะเสียใจไหมก็เสียใจพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้เทวดานั้นคลายความโกรธนะว่าผู้ใดแลพึงยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นไว้ได้ ผู้นั้นดุดสารถีผู้หยุดรถได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นนะใครที่ทําได้อย่างนี้ก็เหมือนว่าคนที่อะไรนะรถวิ่งมาเร็วแล้วก็จะเจอเหวเข้าทําไมเบรกเอีย็บเลยนะนี่ก็เหมือนกันเหมือนกับคนเบรกรถนั่นแหละแต่ว่าสมัยก่อนแบบรถมาใช่ไหมก็ทำยังไงหยุดมา้าไม่ให้วิ่งต่อไปได้เพราะถ้าคืนต่อตกเหวตายแน่ดังนั้นความโกรธก็เหมือนกันใครที่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วสา ม, มารถหักห้ามความโกรธไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นต่อไปได้ คนนี้ก็เหมือนกับสารธีที่หยุดรถอย่างรวดเร็วฉะนั้นเนี่ยนะพราตะืนต่อไปอีกแม้แต่นิ้วเดียวเป็นต้นก็ไปไหนตกเหวเลยนะเหวคือรายชาติชารามรณะเป็นต้นชาติเนี่ยนะฟังคำว่าชาติหมายว่าชาติในนรกเปรตอสุรกายและเดรชานเป็นต้นถึงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเคยทำการฆ่าเอาไว้เนี่ยก็อยู่ในคันก็เตรียมถูกฆ่าแล้วบางทีเนี่ยนะอยู่ในคันแม่ปั๊บเตรียมถูกฆ่าแล้ว อย่างเด็กหลายๆคนที่เกิดในยุคสมัยที่มีสงครามเนี่ยมันเพราะอะไรพอตัวเองเกิดมาในครันไม่นานก็มีสงครามเลยตายทั้งแม่ทั้งลูกเป็นต้นเนี่ยอันนี้คือเจตนาที่ได้ทําปาณาติบาตเอาไว้ในอดีตก็ตามล้างตามผลานตัวเองนี่เกิดมาเล็กน้อยก็ถูกตัดแขนตัดขาเป็นต้นเนี่ยนะอย่างเด็กที่เกิดมาในช่วงสงครามเนี่ยมองเหตุไกลเนี่ยนะบอกว่าเหมือนเอ๊ะเด็กมันไม่ได้รู้อิโนโนอินเน่ทาไมจะต้องไปรับอย่างนั้น จริงเด็กเหล่านั้นที่เสวยวิบากเหล่านั้นไม่สมควรแก่กรรมในชาติปัจจุบันก็จริงแต่สมควรแก่กรรมในอดีตแล้วขณะเดียวกันผู้ที่ทําเหตุใหม่เหล่านี้เขาสิ่งที่เขาทํานี่แหละคือสิ่งที่เขาจะต้องรับในอนาคตต่อๆไปเพรันผู้ที่มีความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทําบาปทําอกุศลนะอกุศลเหล่านั้นนั่นแหละจะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเข้าใน อนาคตถ้าลีกออกไม่สำเร็จเนี่ยนะถ้าออกจากดินแดนแห่งวัตตะไม่สำเร็จสิ่งที่ทำนั่นแหละจะย้อนกลับมาหาตัวมันก็พยายามถ้าเวลาโกรธขึ้นมาก็พยายามตัดไฟซ้านะอย่าให้มันถึงกับไหมเลยใช่ไหมเซฟที่คัดนะตัดก่อนตัดก่อนโดวายเนี่ยนะไม่งั้นก็เดือดร้อนแน่แต่โทรศัตท์นี่เวลามันเกิดขึ้นมานี่มันมันห้ามยากนะแต่ถ้าใครห้ามได้ก็ก็ยิ้มมีความสุขนะ เพราะว่าถ้าห้ามได้ถึงกับไม่ไปล่วงทุจริตกรรมทางกายและทางว่าจะไม่ล่วงถึงกระทําปานาติบาตเป็นต้นนี้ก็ดีใจได้เลยว่าแม้ถ้าถ้าขืนทําปานาติบาตลงไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์จึงสรรเสริญคนที่ห้ามความโกรธเอาไว้ได้ว่าการห้ามความโกรธเอาไว้ได้ก็เท่ากับรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้อย่างเต็มที่เนี่ยนะรักษาผลประโยชน์เอาไว้ไม่อย่างนั้นก็ขับรถตกเหวนั่นแหละขับรถตกเหวแล้วก็ถ้าตาย นั้นก็ไม่ไม่คุ้มอะไรนะถือว่าเบรกดีการห้ามโทรศัทไม่ให้เกิดขึ้นก็ลักษณะเดียวกันแต่พูดอย่างนี้บอกว่าบางคนก็บอกเอ้าก็ท่านไม่สูญเสียนี่ก็พูดได้เสียน่นะอะไก็บอกว่าก็สรุปว่ามีเหตุผลต้องโกรธต่อไปใช่ไหมก็ตามใจกันแล้วกันอ่างนั้นนะแต่ว่าในทางาศาสนาทางคําสอนเน้นสอนว่าอย่ากโกรธเลยเนี่ยนะทำยังไงก็ได้ไม่โกรธแต่ว่าคําว่าอย่าอย่างเดียวไม่พ อ, อนะเดี๋ยวจะกล่าวต่อ ต, อตอไปว่าเหตุ วิธีพิจารณาเพื่อห้ามความโกรธในสูตรนี้แสดงไว้หลายอย่างด้วยกันก็จะได้กล่าวต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยนะพิสูจน์ทั้งหลายก็กราบทูลเล่าให้พระพุทธเจ้าว่าสมัยนั้นเนี่ยนะพระพิสูจน์ตัดต้นไม้เนี่ยชาวบ้านเขาก็กล่าวว่า พวกมนุษย์กล่าวโทษอย่างนี้ว่าอะไรกันนะพวกสมณะสักยะบุตรจักตัดต้นไม้เองใช้ให้คนอื่นตัดต้นไม้เพื่อสมณะสักยะบุตรย่อมเบียดเบียนสิ่งที่มีชีวิตซึ่งมีอินทรีย์อันเดียวเขาถือว่าต้นไม้นี่เป็นสิ่งมีชีวิตเขาถือว่าปานะชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระิสูตตัดต้นไม้ก็เหมือนกับฆ่าสัตว์นั่นแหละอัน น, นี้ชาวบ้านยุคนั้นนะบางกลุ่มเขาเข้าใจอย่างนั้นเพราะเขาไม่ต้องการให้พระพิสูตทั้งหลายตัดต้นไม้ ก็โพนนาติเตียนเพ่งโทษที่พระพิสูทั้งหลายเนี่ยตัดต้นไม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็อาศัยเรื่องอ น, นะเกี่ยวกับเรื่องเทวดาด้วย ท, ที่ตัดต้นไม้แล้วไปถูกแขนเทวดากับชาวบ้านเพ่งโทษโพนนาติเตียนกลด่าว่าพระองค์ก็เลยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการโดยทั่วไปพระองค์ก็จะตรัสว่า พิสูจทั้งหลายการกระทําของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําฉะนั้นจึงไปตัดต้นไม้เล่าเนี่ยนะผลการกระทําของเธอทั้งหลายไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเหมือนว่าเมื่อไม่นานเนี่ยนะพระพิสูจเข้าไปอยู่ในป่าที่จังหวัดปุรีรำไปกันห6รูปเสร็จแล้วก็ไปตัดต้นไม้ในป่าสร้างสร้างอะไรนะ สร้างศาลาเสร็จแล้วป่าไม้ไปจับศึกเรียบหมดเลยนะไม่ใช่ศึกธรรมดานะศึกแล้วไปอยู่ในคุกต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าก็ถือว่ามีโทษอ่ะเพราะว่าไปอะไรนะตัดต้นไม้ผิดกฎหมายนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายและจริงๆก็พระพุทธเจ้าก็ห้ามด้วยว่าห้ามลักทรัพย์ทั้งในบ้านในป่าการตัดต้นไม้เนี่ยนะถ้ามีเจ้าขอรู้ว่าเจ้าของเขาห่วงแหนแล้วเราไปตัดนี่ก็ถือว่า ถ้าต้นไม้ต้นโตเนี่ยนะต้นไม้ต้นโตแล้วก็มีไถยะเจตนาเนี่ยปาระาชิกด้วยเนี่ยนะศนะีก็ขาดคุกก็เข้านะหมดทุกอย่างเลยนะถ้าคิดคิดไปก็เสียหายยับเยินเลยเสียหายยิง่งถูกรถชนอีก